หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาได้ก็โดยความประสงค์และวิธีการดังกล่าวนั้นท่านผู้ที่มาติดต่อกับข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้บอกให้จดบันทึกเรื่องนี้ไว้นั้นได้เริ่มรู้จักกับข้าพเจ้าเมื่อปีคริสตศักราช1909ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ท่านจะผ่านเข้าไปสู่โลกที่5ปีท่านผู้นี้มีชื่อว่าสาตุคุนโรเบิร์ธฮิวเบนสันเป็นบุตรของท่านเอ็ดวินไวท์เบนสันอดีต ท, ท่านอาร์บิชชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีองค์ก่อน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 เราทั้งสองเป็นเพื่อนเก่ากันมาและการที่ท่านฝ่ายหนึ่งได้ละจากโลกมนุษย์ไปสู่โลกทิพย์ก็ไม่ได้ทําให้มิตรภาพของเราขาดสูญไปแต่ประการใดตรงกันข้ามมิตรภาพของเรากลับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเราได้มีโอกาสพบปะ ก, กันมากกว่าที่เราจะพึงกระทําได้ซิอีกซึ่งแต่หากท่านยังคงอยู่ในโลกมนุษย์เราจะไม่มีโอกาสพบปากกันมากถึงเช่นนี้คือในที่นี้ท่านเป็นนักบวชที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจมาก ขณะมีชีวิตอยู่จะมีโอกาสพบเจอรละว่างตรงกันได้น้อยมากนะครับท่านโรเบิร์ตฮิวเบินสันได้แสดงความยินดีอยู่บ่อยๆในการที่ท่านสามารถกลับมาสู่โลกมนุษย์ได้และด้วยวิธีการอันเป็นปกติธรรมดาและน่าเพลิินอย่างยิ่งด้วยวิธีนี้เองท่านได้กลับมาเล่าถึงเรื่องต่างๆที่ได้ประสบมาด้วยตนเองให้มิสหายฟังและที่สําคัญที่สุดก็คือ